50 languages. v i s u m n t ที่สะว่าน้ำ u l a s u l a s วันนี้อากาศร้อนต a นาอง เราไปสระว่ายน้ำกันไหมล้วแมวอยู่ล s ะสล้วแมวอยู่ลคุณอยากไปว่ายน้ำไหมโอยอยู่อยู่มามินน์นะโอเล็กซ์ูลตุคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมกัสซูลนเรติกกัสซรติกคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Kas sul on u j um Kas sul on u m um i s p ü ซ s i d k สุลอนอุยมิสพุกซิตคุณมีชุดว่ายน้ำไหมก็สุลอนทริกโกก็สุลอนทริกโกคุณว่ายน้ำได้ไหมโฮสกัตซาอุยุต้าโฮสกัตซาอุ k ุต้าคุณดำน้ำเป็นไหมกสุตต โอสกัดคุณกระโดดในน้ำเป็นไหมโอกัวตเตปตอวตปตอาบน้ำได้ที่ไหนกุสันุกุุห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนกุสริเตุสกันกรตุสีน แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหนกุสอุยอ่มสปริลนอุยมิสปริลิน้ำลึกไหมกัสเวซิออนซูคกัสวนน้ำสะอาดไหมกัสเวซิออนปูฮอกัวซิออนปูฮน้ำอุ่นไหม kas ว so e s i on soe? ่ก็สวีซิออนโซ่ดิฉันหนาวมากมูลนกลมมูลนกลมน้ำเย็นเกินไปวซอลีก็กมวซิออก็กลมดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้วมาเเวสเวมล่นเวสเวล